การประยู่ข่าววจรทั้งหลายสำหรับวีลานีท่านทังหลายไม่พากันสมาทานศีลพากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วแล้วก็ท่านนังหลายกำลังจะสันดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐาน นิสกรนที่ท่านจะสันดับการเจริญเพื่อกรรมฐานขอท่านอนไหลจงนึกถึงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนที่พระองค์ทรงประกาศไว้ในวันกลางเดือนสามที่เรียกกันว่าวันมาคบูชาวันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนา ว่าพิกเวดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายการที่เธอจะไปประกาศศา ส, สนาในที่ใดๆขอจงสอนใช้คำสอนให้เหมือนกันทั้งหมดหนั่นก็คือหนึ่งสัพพปาปัสสะกระนังเธอจงแนะนำบรรดาปชายทั้งนนหลายให้ละความชั่วทั้งหมด สองกุศล ส, สูประสัมปทาเธอจงแนะนำให้เขาทุกคนสร้างแต่ความดีสามสจิตะประโยธปัญังจงให้ทุกคนธรมรมอรมใจให้พองใสเอตังพุทธานศสาสนังองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ญญาทรงยืนยัน ว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดเป็นอันว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุขต ท, ที่ทรงสอนไว้นนี้ขอบันดาท่านทั้งหลายจงจำไว้สอนตัวเองจงอย่าคิดว่าเราจะไปเป็นโคูของไข่ การที่เป็นครูชาว บ, บ้านมันเป็นของไม่ยากแต่ว่าเป็นครูตนเองนี่เป็นของยากก่อนที่เราจะเป็นครูเขาเราต้องดีเสียก่อนดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจา้าเมื่อพระองค์ทรงยังไม่สามารถจะทำลายกิเลสให้เป็นสมุเทเธตะบ า, ารเพียงใด องสมเด็จพระจอมไตรบรมรศาสันดานก็ไม่ทรงสอนคนอื่นฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงจำพุทธภาสิบีว่าอัตนาโจทยั ต, ตาหนังจงพยายามตักเตือนตนเองไว้เสมอสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงสกิธาคามิมักที่ยังค้างอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกิทาคามีมัคนี่เราต้องทํากันหลายจุดแต่ก็ต้องมีโรงเข้มแข็งกว่าพระโสดาบันสําหรับพระโสดาบันนั้นรู้สึกว่าเป็นของ ง, ง่ายๆมีอะไรไม่ยากที่เราไม่สามารถจะทรงกันไปได้ก็เพราะใจของเรามันเร็วถ้าใจของเรามันไม่เลว พระโซนาบันเหมือนก็กล้วยสุกที่ปอกแล้วนล้วก็ใส่ปากอยู่แล้วหรือแต่ว่าจะกลืนกินเมื่อไรเท่านั้นสำหรับสกิทาคามีนี่ความจริงเป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์เพรามีหลายท่านที่ได้ประโซนาบันแล้วก็ไม่ทราบว่าตนเองเป็นพระสกิทาคามี อ น, นาคามีเมื่อไร่นั่งมานั่งไปพิจารณามาพิจารณาไปถึงอารหัตผลเมื่อรู้รู้สึกตนมาถึงอรหันเสซนแล้วอันนี้มีเยอะท่านเทียนได้ตามลําดับเป็นเบโซดาศีทาคานาคาได้ถึงอรหรันอันนี้มีน้อยส่วนใหญ่บางท่านกลับไม่รู้ว่าเป็นระโซดาบันเมื่อไร่ มารู้ตัวมาเป็นอราหารันต์เสร็จแล้วอย่างนี้มีมากแต่ก่อนที่จะพูดทั้งอย่างอื่นก็ขอเอาข้อปรีกย่อยเล็กน้อยแต่ว่ามีความสำคัญแม่ น, นำแนะนำท่านเสียก่อนนั่นก็คือเวลาเจริญพระกรรมฐานเราก็จำที่จะต้องตามใจของใจ แปลกไหมคือว่าเราต้องตามใจใจคือตามอารมณ์ที่มันต้องการในขณะนั้นในบางขณะอารมณ์ของเราต้องการสงบสงดัดมันไม่ต้องการภาวนาก็จงอย่าฝืนภาวนาหรือว่าจะฝืนพิจรารณามันอยากสงดัดก็มาสงัดด้วยกําลังาจ รู้ลมให้ใจเข้าออกรู้ลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกถ้าจะภาว น, นาก็ใช้สับสันส่นคือใช้สับว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธถ้ามันไม่อยากจะขยับขยื่นไม่อยากจะขึ้นไปด้านพิจารณาก็ปล่อยอย่าฝืนถ้าฝืนแล้วผลจะเสีย เมื่อเมื่อมันเป็นฌานก่อนที่มันจะเป็นฌานเราตั้งใจไว้ยังไง <c oughs> ตั้งใจคิดไป ว, ว่ากาม่ฉันทะคือมีรูปเสียงกิริยานุสัมผัสเราไม่พึงปรารถนาจิตมันทรงฌานมันจะมีกําลังตัดจุดนั้นของมันไปเองไม่ต้องไปวิจตกังวลว่าวันนี้เราไม่มีโอกาสพิจารณาผลของการพิจารณาจะหย่อนลงไปไม่ต้องคิด เพราะว่าจิตมันทำกิจของมันเองโดยเฉพาะอยู่แล้วนี่เบรการหนึ่งถ้าวันใดหรืเวลาใดถ้าจิตมันต้องการใชอาร์ณ์คิดเราก็คิดอยู่ในขอบเขตของพระกรรมฐานอย่าคิดให้หนอกลูนอกทางมันอยากจะคิดก็ล่อยคิด บางพีมันก็อยากเส็จคิดซะจนกระทั่งไม่อยากจะมาจับอรมทรงตัวก็ปล่อยมันเวลานั้นจิตมันใช้ปัญญาหรือว่าปัญญามันหลักแหลมขึ้นพอบน่ายปิดที่เป็นกุศลตอนต่อที่จะกระตีบจะพูดอย่างอื่นต่อไปขอย่ำสักนิดหนึ่งว่าอรมใจของเรานี่ให้มันทรงอยู่ในได้ของสมาธิจิต คือกิจที่ผมเคยพูดว่าเอาลัทธิของผู้บุคคลในป่าที่เขาสอนกันมาเขาบอกว่ามึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแยกกูตีมึงหนีกูตามความจริงคติของเขาดีแต่ด้ว่าเขาไปใช้ในการรบ ก, กันก็มันก็เป็นเรื่องของเขา ถ้าเขาทาได้อย่างนั้นจริงๆบทชนะของเขาก็มีเพราะมันนั่นเป็นความฉลาดที่เราคาดไม่ถึงมึงมากูหมดหมายความว่าถ้าข้าศึกมาหลบเสียข้าศึกก็ทําอันตรายไม่ได้มึงหยุดกูแหย่นั่นหมายความว่าข้าศึกเหลอเราก็แย่เขาโจมตีเก็บเล็กเก็บน้อยทาลัง ทำลายกาลังของข้าศึกถ้ามึงแย่กูตีหมายความว่าถ้าเขาเข้าถึงความยับเยินเมื่อไรแย่กาลังอ่อนเมื่อไรโหงกาลังให้หนักตีให้พับมึงหนีกูตามเมื่อก็แพ้ตามติดประหารระหารให้ใกล้ชิดทำลายให้หมด ถ้ากองทัพใดกองทัพหนึ่งใช้คติแบบนี้เป็นปกติแล้วสามารถปฏิบัติได้กองทัพนั้นมีทางเดียวคือความชนะท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าผมเอาเรื่องนี้มาพูดทาไมเราเป็นทาหารอะไรคองไขรไปรบกระไข ผมก็ต้องตอบว่าเราเป็นดาหารขององ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากองทัพนี้เขาเรียกกันว่ากองทัพธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นจอมทัพเราลบกับใครยังนงหรลอผมก็ขอตอบว่าเราลบกับความชั่วคือกิเลสกินเลสก็คือความชั่วนั่นเอง เวลาที่เราจะรบความชั่วกิเลสมีเท่าไรไม่ต้องคำนึงถึงกิเลสที่ที่เราจะรบกันเวลานี้ก็คืออ่ก็คือความรักสวยรักงามซึ่งมันเป็นอารมณ์ค้านกับความเป็นจริงคำว่าสวยว่างามไม่วัตถุธาตุหรือสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้มันมีที่ไหน ขอท่านทั้งหลายที่รับฟังกรุณาหาสิ่งที่มันไม่สกปรกในโลกโนี้ม่ให้ผมดูด้วยเพราะว่าเวลานี้ผมโง่จริงๆงโง่มากที่ไม่เคยเห็นคนไม่เคยเห็นสัตว์ไม่เคยเห็นวัตถุธาตุว่ามันสวยอันนี้ผมพูดถึงเวลานี้เนะี่ย แล้วพวกท่านหลายจะไปถามว่าเมื่อเวลาที่ก่อนหน้านี้ยังหนุ่มวัยขนองอยู่เห็นไหมว่ามันสวยสดคืงามและสะอาดตอนนั้นผมก็ต้องตอบว่าสวยทุกอย่างเหมือนกันผมก็เห็นเหมือนทุกๆคนนี้เขาเห็นว่าสวยเห็นสตรีเพศมีสวดทรงดีผิวดีวาจาอ่อนหวานเราก็รักรัก เพราะว่าเห็นว่าเขาสวยรักเห็นว่าเขาดีเห็นว่าถุกท่าต่างๆที่มีสีสันวัร น, นะลักษณะสูตรทรง ด, ดีอาการดีเราก็ชอบผมชอบเหมือนกันชอบเป็นเต่วามาตอนนี้ยังไงไม่สบับมันยากแก่ลงได้ไงเขมรสบับมันหมดดีไปสะหมดดีโดยจริยาของคนมี แต่ดีเพราะความสวยมองไม่เห็นเห็นจะเป็นเพราะแก่เกินไปตาไม่ดีแก่เกินไปหัวไม่เป็นเรื่องแล้วแก่เกินไปกำลังใจมันต่ำมันจึงเห็นว่าไม่ดีเป็นอันว่าเราใช้คติของเขาว่ามึงมากูมดุดเรามดุดที่ไหน ตามปกตินี่ผงเคยแนะนำท่านนักปฏิบัติที่เขาจะมีผลเขามุ묻จะอยู่เป็นปกติก่อนที่มึงจะมากูก็묻เพราะว่าตามปกติเราไม่ยอมให้มันมาแล้วจึง묻ถ้ามาก่อนแล้ว묻ไม่ทันเมื่อมุดไม่ทันก็ถูกฆ่าสิกโจมตี ฉะนั้นในยามปกติเราต้องมุดเสก่อนมุดตรงไหนหมุดเข้าไปอยู่ใต้กับโรงใต้กางเกงเขาอย่างนั้นหรือแต่มุดเข้าอยู่ในถ้ำในเหวมันไม่พ้นหรอกคุณถ้ามุดแบบนี้หาวัตถกเป็นเครื่องกันไปที่กำบังไม่พน้นต้องหาอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องกัน อารมณ์ของจิตเป็นเครื่องกัน้นมุดอันดับแรกก็คือมุดให้จิตทรงตัวอยู่ในอนาปานุสติกมรมฐานพยายามรู้ลมเข้าลมออกอยู่เป็นปกติถ้าเราจะภาวนานด้วยก็ใช้สับสั้นๆเช่นพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธ ทำอย่างนี้ให้มันทรงโตอยู่ได้ตลอดวันจงกว่าจะหมดเวลาเวลาที่มันหมดเป็นเวลาเท่าไรนั่นก็คือเวลาหลับถ้าตื่นขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็จับลมให้ใจก็ออกทรงคำมาพูธโถธในเมื่อจิตเราไม่ว่างกิเลสตัวไหนจะเข้ามาแสรกจิต นีวอนตัวไหนที่จะเข้ามาทำลายจิตมันไม่มีพิธีมุดอย่างนี้เ็าเรียกมุดกลางกลางยังไม่หลบตัวจริงเป็นหมายความว่าเรามุดไว้เสมอข้าศึกจะมาทางซ้ายจะมาทางขวาจะมาในลักษณะไหนก็ช่างฉันมุดไว้ก่อนมุดหลบนายไว้ก่อน สำหรับข้าศึกตีเข้าโจมตีเราที่มีกำลังใหญ่มันมีกำลังสามกองทัพคือกองทัพราคะหรือว่าโลภะอันนี้แปลนเดียวกันเน่งกองทัพกองทัพโทสะกองทัพโมหะสามทัพนี่แหละที่มันคอยเข้าประหัสประหารเรา กองทัพที่เราจะเข้าต้องต่อสู้อันดับแรกสำหรับสกิทาคามีมักเวลานี้เราพูดกันทีงเรื่องพระสะักแห่คสกิทาคามีมักและก่อนในหมวดข้ออนาปานุสติกรรมฐานท่านที่ศึกษาหมวดนี้แล้วต้องจำให้ดีเพราะหมวดต่อต่อไปผมอาจจะพูดยอ่อหรือ ย, ยาวก็ได้ตามใจผม สุดราแต่ผมจะเห็นสมควรไม่ผมเห็นสมควรหรือไม่สมควรก็ไม่่เรื่องของผมโดยตรงเป็นเรื่องหลักสูตรในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เวลานี้เรากำลังจะโจมตีข้าศึกหรือขอยมุตหนีข้าศึกจุดหนึ่ง ค, คือคือคือกามมัจฉันไม่ราคาได้กับความรัก รักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสในระหว่างเพศอารมณ์ที่โม้สมไม่ได้กลามารมท่า น, นี้เราก็จำจะต้องมุดหละที่แรกเรามุดกลางกลางเพราะเจ้าราคะมันมาทียังไงอารมณ์รักตามที่กล่าวแล้วย้ำก็ไม่ดีเสียเวลา ถ้ามันจะมาจะทำยังไงหรือว่ามันยังไม่มาวิธีมุดให้ถูกต้องก็คือรักษาอนาปานุสติกรรมฐ า, านไว้ใช้กำลังใจส่งสมาธิตามสมควรแล้วก็มุดหลบราคะโดยการพิจารณาคนคนดีสั์คนดีนดวัตถุท่ายคนดีทั้งหมดนี้เราเห็นว่ามันสุขปลทั้งหมด หาความจริงอย่าเป็นนึกเฉยๆคลาตัวเราอย่าคลาเขาคลาเขานะ่มันคลาไม่ได้ถนัดคลาเราดีกว่าที่อภระชาบอกว่าเกสาโลมานะคาทัานตาตะโจที่เป็นกรรมฐานสำคัญท่านทั้งหลายบดมันแล้วเคยใช้บ้างหรือเปล่า ผมเสื้อะอาดด้วยสกปรกขนสะอาดด้วยสกปรกหนังสะอาดด้วสกปรกเล็บสะอาดด้วยสกปรกฟันสะอาดด้วยสกปรกห้าอย่างนี้หายจุดให้พบรวมความร่างกายทั้งร่างกายของเราเนี่ยส่วนไหนบ้างที่มันสะอาด กรุณนาหาความสะอาดให้พบผมว่าคนที่พบความสะอาดในร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นและความสะอาดในวัตถุธาตุก็คือจอมโง่วันนี้เรายังไม่พูดถึงความโลภนี่เราจะเป็นอนาคามีเราต้องตัดตรงนี้ทำอารมณ์จิตให้เป็นฌาน ชาญในอะไรชาญในอนาปานุสติกมรมทานชาญในพุทธานุสติกมรรทานซึ่งทรงเป็นตัวกลางต่อมาก็ให้เป็นชาญในอสุปสัญญาละกายาคตานุสติคำว่าชาญหม่ถึงว่าอารมณ์ชิน มีความรู้สึกอย่างนั้นเป็นปกติตลอดวันตลอดคืนไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มานั่งฟังกันถ้าเอาแต่เฉพาะเวลาที่มานั่งฟังกันแบบนี้ผมว่าขาดทนมากทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเวลามันนิดเดียวฟังอยู่ทำอยู่เวลาสามสิบนาทีดีไม่ดีมันดีไม่ถึงห้านาทีก็เสร็จ เราจะต้องพิจารณาหาความจริงว่าร่างกายของเราส่วนไหนว่าสะอาดอุจาระสะอาดไหมปัสสาวะสะอาดไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำน้องสะอาดไหมอารมณ์ความอุจจาระมันก็ทั้งหมดทั้งกายตรงไหนสะอาดเราจะหาความสะอาดไม่ได้เลยในเมื่อความสะอาดมันไม่มี มันก็ต้องสกปรกน่าจะสิตอนนี้เราหาทางมดุดก้องกันข้าศิษตนนี้เรามุดเสียมุดเอาจิตเข้าไปจับตามความเป็นจริงว่าโอ้หนอร่างกายของคนแสัตว์วัตถุธาตุทั้งหมดมันมีแต่ความสกปรกในเมื่อมันสกปรกอย่างนี้เราควรจะรักมันหรือว่าเราควรจะเกลียดมัน เราก็ต้องเกลียดมันรักมันไม่ได้สิ่งที่เรารักคือเรารักของสวยเรรักของสะอาดเรารักของดีเราไม่ได้รักของเวลวรวมความมึงมาโกามุดปกติเรารีบมุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้มันมาในเมื่อมันมาเราก็มุดอีกทีหนึ่งให้ตัวราคามันมามุดโดย อสุประสัญญาและกายขตานุสติอันนี้มึงหยุดกุฏิเป็นอันว่าอารมณ์ของกามฉันทะมันเริ่มหยุดใจเริ่มชักจะไม่สนใจเห็นคนลสัตว์เห็นว่าแมมันสุขโปรกไปหมดย่าลืมมาตอนนี้ยังเป็นอารมณ์ของฌานแยบหรือ ถ้าเผอคิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็สวยบอกไม่ถูกมึงหยุดกูตีก็หมายความว่าในเมื่ออารมณ์มันหยุดในเมื่อมันรมหยุดแล้วก็เสริมคําใช้กําลังเข้าโจมตีนั่นคือปัญญามานั่งพิจารณาว่าอสุเป็นสัญญาคือร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาเป็นคนเองคนดี ว่าถูกท่าก็ดีสุขรกรบกมันสุขกรบกอย่างเดียวหรือหันเข้าไปจับสกายทิฐิไม่วิปั ส, สนาญาณเพราะร่างกายคนคนดีใส่คนดีที่มันไม่สุขกรบกอย่างเดียวมันประกอบกวันท่าสี่สทรงตัวโชครา แยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนได้สามสองชิ้นที่เรียกกันว่าอาการสามสองมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดเป็นต้นผมไม่อยากจะแยกแยกทำมันยุง่งดูทีเดียวหให้มันสกปรกไปหมดดีกว่าไปไล่เบียดตำราก็รู้สึกว่าจะเร็วเกินจะเร็วเกินไป มันยืดมันยัดพระพุทธเจ้ากล่าว่าทำของเราไม่ใช่ทำเป็นเครื่องเนึ่งช้าต่อไปแล้วก็มาพิจารณาว่ามันเป็นธาตุสีมีอาการสามดสองสภาพาของมันอย่างหนึ่ง อ, อนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้สองทุกครั้งมันมีสภาพเป็นความทุกข์สามอัตตาวันสลายตัว อย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้มันเป็นทุกข์รู้มันเป็นอนัตตาถ้าวิปัสสนาญาณอย่างแข็งก็ถือว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอว่าทานสร้างขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากความเลวไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความดีเกิดแล้วก็พัง เราคือจิตเท่าทีม่มาสถิตยอยู่ในกายนี้ไม่เปลี่ยนเรื่องเราเอาศัยด้วยร่างด้บ้านเรือนที่สกรปรกโส โ, โครกหนะักมีสภาพเหมือนกับป่าชาติที่เต็มปด้วยความเนา่าเราไม่เอาแล้วไปไม่ขอจับวันเจ้ า, เ จ, าเจ้าสกรปรกก็สกรปรกแล้วยังโยเยแบบนี้ไม่มีการทรงตัว ฉันขอลานแล้วสร้างจิตให้เป็นนิกิทายานมีความหมือนไหนทน่านี้มึงหนีกูตามถ้ามันหนีออกไปหมายความว่าไอ้เจ้าการามไฉันถ้ามันไม่สามารถจะเข้ามายุ่งใจได้เต็มที่เราก็ตามติดเข้าโจมตีมันอย่างหนักไอ้มึงมากูมุดมึงหยุดกูตีมึงหนีกูตาม ถูกแไม่ถูกมึงมากูามุดมึงยอยู่กูแยอ๋อมึง ก, กี่แยนะมึงแย่กูตีเมื่อกี้นี้พูดมาถึงมึงแย่กูตีมึงหนีกูาตามมึงหนีกูาตามแล้วก็พิจารณาไปเลยตามพิจารณาไปว่าโลกนี้มีอะไรสรงตัวบ้างนี่ดีไม่ดีนะผมสอนคุณอย่างนี้คุณแปรรหันไม่แน่ ดีไม่ดีปุ๊บปับ๊บคุณฟัดอารานก็เลยนี่ผมไม่รับรองนะผมพูดอย่างนี้ผมไม่มั่นใจว่าคุณจะโยนได้ได้แค่พระสีธาคามีแล้นเราก็จับมึงหนีกูตามตัวท้ายไปเลยตามไปตามตีให้ยับเยินวิธีตีให้ยับก็หมายความว่าเอขันห้าคือร่างกายของเราคนดีของเขาก็ดี ปกติมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์นี่เราเบื่อมันเต็มทีแล้วมันสุกกระปรกมันไม่มีการทรงตัวตีให้พังว่ามันเป็นสุขและเป็นทุกข์เราก็จะมองเห็นว่ามันทุกทุกจุดเราจะทรงกายขึ้นมาได้ในมันทุกทุกวันทุกเพราะอะไรทุกทุกว่าการกินมันทุกใหญ่ ถ้าไม่มีจะ ก, กินมันก็ทุกกินเข้าไปแล้วมันก็ทุกตอนนี้ของที่อยากกินอ่ะมันต้องหามาอาการหากินมันก็ทุกหนาวนักมันก็ทุกร้อนนักมันก็ทุกปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็ทุกความปรารถนาไม่สมหวังมันก็ทุก ความป่วยไข้ม่สบายมาถึงมันก็ทุกข์การพัดผราจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจมันก็ทุกข์ความตายแค่เข้ามาถึงมันก็ทุกข์ใครทุกข์มันทุกข์หรือเราทุกข์แต่ความจริงมันไม่ใช่มันเราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราโง่โง่ไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรา เราก็ต้องควานหาต้องตัดทุกทิ้งให้ได้นี่ยตามตีมันเลยทุกมันมาจากอะไรทุกมันมาจากตัณหาคือความอยากอยากเกิดอยากมีขวอยากมีเมียอยากมีลูกอยากมีหลานอยากมีเลนอยากร่รํารวยอยากใหญ่อยากโตอยา ก, ยากมีชื่อมีเสียงมั่นตัวอยากรวมความอยากก่อให้มันมีร่างกายต่อไปอีก ใหอยา ก, ก่อให้มันทุกต่อไปอันนี้เป็นอาการของความทุกข์ทุกข์มันม า, าจากตัณหานี่เนาะถ้าตัวอยากพระพุทธเจ้าบอกว่กตาแกตัดตัณหาด้วยอะไร ต, ตัดตัณหาด้วยศีลบริสุทธิ์ศีงของท่านมันมีอยู่แล้วสมาทานกันทุกวัน ถ้าว่าเรารักษาสิงของเราให้บริสุทธิ์ผุดทองศินทรงตัวอย่างนี้มาศินทรงตัวดีก็เป็นเกราะอันหนึ่งที่ป้องกันน้ำบายภูมิศินบริสุทธิ์เป็นประสง ด, ดากับสกิทาคาเวลานี้ผมกาลังพูดกับท่านที่เป็นพระสกิทาคามีมักเรื่องศินจึงไม่มีการหนักใจท่านี้อีกตัวหนึ่ง ที่เข้ามาทำลายตัญหาคือสมาธิสมาธิก็คือมีอารมณ์ทรงตัวทรงตัวอยู่ในศีลเป็นปกติเรียกว่าศีลานุสติกรมธานทรงตัวในานาปานุสติปกติเรียกว่านาป า, านุสติกรรมธานทรงตัวในอยู่ในพุทธานุสติภาวนาอยู่เรื่อยๆจัดไว้เป็นพุทธานุสติกรรมธาน จิตเห็นสาภาวะต่างๆของเน่าเฟะเละเป็นของไม่ดีเป็นนิพิทายานจัดว่าเป็นอสุปกรรมฐานกับกายยระฐานุสติกรรมฐานจึงกระทันอารมณ์เกิดความเบื่อหน่อยจริงๆเบื่อเห็นคนก็เบือ่อเห็นใส่ ก, ก็เบือ่อเห็นวัตถุทายก็เบือ่อเพราะบันหาความสวยสดงดงามตามความปรารถนาที่ต้องการไม่ได้ มันเบื่อนั่งก็บเบื่อนอนก็บเบื่อหลักก็เบื่อตื่นก็เบื่อเบื่อหมดเห็นคนสวยอยากจ่ายเกียนเห็นคนแต่งหน้าแต่งตาแต่งผิวแต่งพันแต่งสักแต่งอะไรต่ออะไรมันนึกสงสารเพราะโอ๋หนอที่เขาแต่งไปหาความทุกข์กันทางนั้นเขาไม่ได้ทำเพื่อความสุขเขาสร้างเกิดมาเพื่อการสร้างทุกข์แท้ๆอารมณ์ใจแล้วก็หดโหู หดหูมีความสียอสิสเอียนมีความปรารถนาไม่ต้องการอยู่เสมออย่างนี้เรียกว่านิพิทายานนี่เียนว่าเราตามตีให้มันพังไปเลยมองโดยเวลาท่าน ห, หลายหมดเส็แล้วอยากจะพูดถึงสังขารกเปียญายานยังพูดไม่ถึงเป็นอวัจจุดนี้เราระ ง, งับกันเพียงเท่านี้ เขาับต่อตอนนี้ไปขอท่านหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธัธยาศาัยจึงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี